มนาสิกาเป็นต้นเวทนาและสัญญาเหล่านั้นก็ถึงความแบบไปมนาสิกาณสิ่งใหม่ก็สัญญาเวทนาก็เกิดขึ้นก็เป็นไปอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ยังสามารถเอาทั้งหมดเหล่านั้นมาสงเคราะห์โดยขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาทสงเคราะห์เป็นติกะมาติกาทุกกะมาติกาเอามาจำแนกแจกแจงเป็นพระวินัยพระสูตรพระพิธรมได้อย่างกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้นัปัญญาของพระองค์นั้นแจ่มแจ้งขนาดนั้น ันแล้ข้อความในอัจฉริยะอภูตรธรรมสู่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คืออยากให้พระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมุ ป, ปบาทน่นนะเพราะว่าเราก็าปฏิจาสมุ ป, ปบาทในช่วงกลางมามามาไล่ใช่ไหมไล่ไปทางท้ายไปไ ป, ไปทางไปทางอนาคตนั่นนะตอนนี้พอเราไล่ไปแล้วเนี่ยเราก็อดที่จะเอาเรื่องวิธีจิตธรรมากินไม่ได้ใช่ไหม ว่าเออเอาวิธีคิาคาคิดแล้วเนี่ยในลักษณะที่มันเกิดเวทนาเกิดกรรมเกิดอะไรทันหาเนี่ยมันเกิดยังไงรือในปฏิจตในปฏิจฏจสมุปบาทเราไม่สงสัยว่ามันต้องเป็นไปอย่างนี้ถูกมต้องเป็นไปอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้เราเคยแต่ทดลองว่าเห็นเห็นมีอารมณ์ปรากฏเนี่ยนะทางตาโดยมากเราก็จะยกแค่นั้นแต่ว่า ทางอื่นแล้วก็มักจะยกนั่นละอย่างเราเร า, เรามักจะยกไปในทางอากุศลพอประชุมสามอย่างแล้วมันเป็นเรื่องของอกุศลวิบากถ้ามันเป็นฝ่ายกุศลบ้างหรือว่าไปทางเทาวานอื่นบ้างเนี่ยนะก็จะทําให้เราเราเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเอาเรื่องนี้มาคุยคุยกันเที่มันชักกดับดับดับดับเหมือนกันเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมที่เราคิดว่าเราเข้าใจเรารู้ซไหมย ่ผมก็อยากจะเรียนผมก็อยากจะรู้จักท่านทั้งหลายเนี่แหละว่าเื่อนมันจะอะไรบออผ ม, มั้งอะ่ะ แ, แต่เออเออเนนองเเออเออเเออเองเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเคอเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเอออเอเอ เวทนาอันเกิดแต่จักขูสัมผัสหรือว่าจักขูสัมผัสชาเวทนาอย่างี้นะหรือโสตสัมผัสชาเวทนาเนี่ยหรือเวทนาเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของวิถีจิตนะมันจะเป็นอาชาตปัจจัยหรือว่าอุปัติยปัจจัยปกตูปัจยาปัจจัยอยู่ตรงไหนเนี่ยนะในลักษณะที่อภิธรรมว่าไว้ยังไงแล้วก็ในพระสูตรพูดไว้ยังไงบ้างเนี่ยนะว่าเวทนาเนี่ยมันอยู่ตรงไหน แล้วก็เพราะว่าเวทนามันต้องเกิดกับจิตทุกดวงถูกไหมแล้วเวทนาอันไหนจึงเรียกว่าถ้าทำคำว่าตาก็จึงเรียกว่าจากักรุูสัมปัสสชาเวทนาเรียกไปถึงตรงไหนเพราะว่าเมื่อมีการประชุมมันครั้งไรเนี่ยนะมันมีเวทนาตั้งแต่จกักรวิญญาสัมติชัญนาสันตทียนาวัฏมานาแล้วก็ชาวนาในปัญจทวารมิถีแล้วก็ไล่ลงไปถึงมโมทวารมิถีใช่ไหม เราจะถือเวทนาตัวไหนเพราะเวทนาตัวนี้มีความสำคัญมากเลยเพราะเวทนาตัวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการประชุมกันครั้งนั้นแล้วไม่ได้เป็นอกุศลเช่นเป็นเป็นโทสะใช่ไหมมันก็ตรงข้าว่าตัณหาใช่ไหมถ้าการประชุมครั้งนั้นเป็นกุศลบ้างอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะเรานั้นเนี่ยจะจ ะ, จะมันจะเดินไปทางไหน นั่สบายกว่านั่นนี่นะน่าสนใจไหมหรือว่าท่านผูดดูใดจะอธิบายได้ขเขาพอมัไม่จําเป็นต้องให้พระอาจารย์เ อ, อเป็นภาระกับท่านถ้าท่านผูดใดพอจะอธิบายได้บ้างก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็ดีอย่างเขาช่วยพระอาจารย์ด้วยนะผมอยากให้อาจารย์นาตีลองวิจาร์เรื่องนี้หน่อยนี่ไม่ใช่วิจารนะเขาเอาเอ า, เ อ, า, เ อ, าอธิบายเลยนะ ถึงไหมถึงไหมไม่ถึงมานั่งนี่หน่อยดีครับรอังาจานทั้งตีรู้สึกว่าจะเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบยังไงผมงผมมันน่ไม่ลองลองใครทราบปัญหาอย่างครับไม่คิด้ผมพูดผมพูดชัดเจนไหมงเงินเกาลีจัดแจงแบ่งปลากันให้เสร็จเลยปลาแห้งแบ่งกันง่ายอยู่แล้วไม่ใช่ปลาสด คืออย่างนี้นะคือว่า <c oughs> ในในชักกะช ก, กะสูตรนี่หรือว่าในโลกาที่โลทสูตรเนี่ยนะที่ว่าทำสามประการนะประชุมกันแล้วเกิดผัดษาเช่นทางทวารตาเนี่ยผมเลยถืออธิบายโอกาสอธิบายพวกท่านที่ยังไม่เข้าใจนะถ้ามีทำสามประการเนี่ยนะประชุมกันเนี่ยแล้วเกิดผัดษาเนี่ย อันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยในชีวิตถ้าเข้าใจช่วงนี้เนี่ยถ้ากลับว่าเราเข้าใจชีวิตทั้งชีวิตเลยเพราะการประชุมกันสามสามประการเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกขณะจิตหมดเลยทุกขณะจิตการประชุมที่ติดต่อกันไปอย่างเนี้ยเราเรียกว่าสังสารวัต นะการติดแล้วมันจะเกิดอย่งนี้ติดต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจการประชุมกัน3มอย่างนี้แล้วเนี่ยได้ละเอียดแล้วนี่นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเข้าใจ อ, อ, อริยสัจเพราะอารสัมเกี่ยวข้อกับชีวิตใช่ไหมถ้าเราเข้าใจการประชุม3อย่างเนี่ยวามันเป็นไปยอย่างนี้แล้วเนี่ยนะโดยเข้าใจทุกตอนเนี่ยนะเราก็จะได้ประโยชน์มากเลยเช่นสมมติว่าเมื่อ รูปประชุมกับจักขุแล้วก็ทําให้เกิดจักขุวิญญาณทำสามประการเนี่ยนะประชุมกันเราเรียกว่าจักขุสัมผัสแล้วเมื่อประชุมกันเป็นสัมผัสแล้วเนี่ยจะอยู่เฉยเฉไม่ได้มันจะต้องต่อมาด้วยความรู้สึกคือเวทนาแล้วเวทนาก็มีหลากหลายใช่ไหมมีเวทนาตั้งๆสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแล้วก็เป็นเวทนาทางตาหูจมูกลิงกายทั้งหกตั้งอาตั้งหกทวารใช่ไหมแล้วก็เวทนาตามมาด้วย ปัญหาและตามมาด้วยปัญหาแล้วก็ต้องตามมาด้วยการด้วยการทํากรรมหรือว่าตามมาดูปาทานแล้วก็พบคือการทํากรรมทุกครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อมีการประชุมกันทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการทํากรรมทุกครั้งเลยเนี่ยนี่ตามหลักปฏิจจุบาทใช่ไหมและเมื่อทํากรรมไปแล้วนี่อะไรตามมาชาติใช่ไหมอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าใจว่าการเห็นครั้งหนึ่งการได้ยินครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันตามมาด้วยพบชาติเนี่ย อันนี้จึงจึงจงยกประเด็นว่าให้เห็นว่านี่สําคัญตอนนี้พวกผมเนี่ยมามาคุยกันเนี่ยหมายความว่าเมื่อประชุมสามกันแล้วเนี่ยเกิดภาษาเนี่ยไม่สงสัยหรอกแต่สงสัยว่าเมื่อภาษะเกิดเวทนาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวทนาเนี่ยมันเกิดกับจิตทุกดวงเมื่อประชุมกันแล้วมันเกิดกับตั้งแต่จิตเห็นคือจักกุวิญญาณ แล้ว ก, ก mm hmm. <Ary a. S 1> สัพริจ์ชนะก็มีก็มีเวทนาสามจิตชนะสันติยนัก็มีเวทนาวธฒฐานะก็มีเวทนาในชวนะในปัญจทวารก็มีเวทนาไล่ลงไปถึงมโนทวารในชวนะในมโนทวารก็มีเวทนาตอนนี้ใ น, ส, นสัจธรรมสูตรท่านเรียกท่านเรียกเวทนาหกม า, ม า, ม, ามาพูดใช่ไหมคือท่านบอกว่าเช่นทางทวารตาท่านเรียกว่าจักคุสัมผัสชาเวทนาคำว่าจักคุสัมผัสชาเวทนา เ, น, าเ น, านี่ยอยู่ในจิต จิตในวิถีใดหรือว่าจิตดวงไหนอันนี้อันนี้ก่อนนะแล้วส่วนจะปัญหาจะตามมานะาก็คงจะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เหมือนกับศึกษาใหม่นะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวให้ท่าอาจารย์แสดงรายละเอียดก็แล้วกันเดี๋ยวผมทำความเข้าใจนะครับกนที่ศึกษามาบ้างเนี่ยก็ จักขูสัมผัสชาเวทนาเนี่ยเออต่องแสดงว่าเกิดกับจักขูวิญญาณแต่ว่าเวทนานี้ก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ปัญหาในวิถีนั้นด้วยแล้วก็ในวิธีอื่นๆด้วยซึ่งจริงๆแล้วภาษาที่เป็นปัจจัยเกิดเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาในในในจักขูวิญญาณนั่นเองแต่ภาษานั้นก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิช น, นะสันติรณนะ ก็เป็นสัมปติชนะก็โดยอนันตระปัจจัยสันติชนะวธฏนะจิตอื่นๆหลังลจากนั้นก็เป็นประตูวณิสุยปัจจัยทั้งนั้นแต่ที่เข้าใจนี่สําหรับปฏิจจสมุปบาทกับโดยในของพระสูตรเนี่ยถ้าปฏิจจสมุปบาทเวทนาที่เป็นปัจจัยกับตัณหาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเวทนาที่เป็นชาติวิบากซึ่งเกิดกับจิตเกิดกับวิบากจิตใช่ไหมครับเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาโดย โดยประกตูวันิสยปั จ, จัยเนี่ยแต่ถ้าเวทนาในพระสูตรเนี่ยเวทนาตั้งแต่จกักขวิญญาณก็เป็นปัจจัยแกัตัณหาเวทนาในสัมติจนานะสันติยรน า, าก็เป็นปัจจัยกับตัณหาทั้งก็โดยโดยหลายปัจจัยโดยกว้างกว่าเดี๋ยวให้อาจารสมบัติแสดงายละเอียดกันละกันแต่เท่าที่เข้าใจก็เข้าใจตรงนี้นะครับว่าเวทนาที่เกิดกับ วิบากเนี่ยมีผลอย่างมากเพราะจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีรากฐานมาจากวิบากส่วนความเป็นไปการดําเนินชีวิตมันเป็นไปตามชานะใช่ไหมกกครับผมขอย่าคุยกันก่อนได้ไหมครับคือที่เรา อ, อสงสัยก็คือว่าถ้าหากว่าเวนกายะทวารเนี่ยนะเวทนาในทวารอื่นๆเนี่ยมันมันเป็นวิบากมันเป็นมันเป็น อ, อุเบกขาเวทนา นะตัวอุเบกขาเวทนานี้ใช่ไหมที่เรียกว่าจักขู่สัมผัสชาเวทนาอันนี้ก่อนอนะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะก็เหตุผลว่าเออทำไมจึงเอาเวทนาเข้ามาเข้าเข้ามาตัวเป็นปัจจัยสําคัญทําไมตัวอื่นตัวอื่นบ้างนี่นะฮะตัวอื่นบ้างเจตสิกตัวอื่นๆบ้างเนี่ยทําไมจึงไม่มีบทบาททําให้เกิดตัณหา อันนี้อนนี้นะตรงไหนอันจะมาทํามาจริงยกเวทนาซึ่งที่เป็นอุเบกขาเวทนาแล้วก็ทางกายย้วิญญาณเนี่ยก็มีเวทนาซึ่งเป็นสุขหรือทุกข์ใช่ไหมครับเออทั้งสุขและทุกข์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดให้เกิดตัณหาอันใช่ไหมและตัวนี้เอตอนนี้พอมันก็เกิดเวทับนะแล้วก็ในสมปติชนนัสันเตยนะเวทนาก็เรียกว่าจักกูสัมพัดสชาวเวทนาด้วย เอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นน่าจะเป็นมโนสัมผัสธชาเวทนาว่ า, วาอันนี้หาอ น, นี้อันทัศถ้าพูดถึงว่าแต่ละแต่ละดวงไล่ ล, ลงมาเขาก็มีการประชุมกันสามอย่างเหมือนกันถูกไหมครับครับต <ạ. S 2> ั้งแต่สัมปติชนนัสันติอนาเนี่ยเขาก็เป็นการประชุมกันนะของธรรมากับมโนถูกไหมถ้าว่าเป็นสัมปติชนนัสันติอนาเนี่ยนะก็เป็นทำสามอย่างเหมือนกันใช่ไหมครับ และตัวนี้เอตอนนี้ผมก็เกิดเวทนาขึ้นมาเหมือนกันในจิตดวงนั้นในในสามปิติชนาสันติยนะเนี่ยอันนี้เนี่ยยังจะเรียกอยู่หรือเปล่าว่าเป็นจกักกูสมพัสชาวเวทนาอันนี้คงไม่แน่ใจเดี๋ยวถามพระคุณเจ้าดีกว่าในการไม่กล้าตอบแต่ว่าเท่าที่เข้าใจก็คือน อ, นอกจากนอกจากคือเขาเรียกชื่อตามเรียกตามทวารหรือเปาครับคือถ้า จักรู้สัมผัสเนี่ยเกิดกับจักรุ้อินทรียสองดวงโสตสัมผัสก็เกิดกับโสตอินทรียสองดวงทวีวอินทรีย์ญญสิบนี่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่ามโนสัมผัสเพราะนั้นเวทนานี้จะจําแนกตามนี้ได้หรือเปล่ากับเดี๋ยวพระอาจารย์เราจะคุยกันต่อไปอีกหน่อยนะครับตรงนี้อถ้าสมมติว่าเวทนานั้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่ปัญหานะอยากจะเรียนถามว่า อันหานะั้นในวิธีจิตดวงดวงไหนบ้างในลักษณะที่เป็นประตูหรือว่าอนันตรพพัตปัจจัยหรือว่าอประตูหรือว่าอุปนิยปัจจัยนะฮ ะ, ะเพราะว่าตันหาตัวนี้เนี่ยในวิธีจิตเนี่ยเมื่อการเห็นเกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องเกิดตันหาเลยในวิถีนั้นเพราะเป็นเช่นเป็นกุศลคดี นะฮะหรือว่าเป็นเป็นอักุษุนประเภทโทสะ ก, ก็ดีใช่ไหมฮะหรือโมอหะก็ดีเนี่ยขณะนั้นเนี่ยตัณหาในวิธีอี้นั้นไม่มีเลยเราจะเข้าสเปกนี้ไหมก็เป็นครับเวทนานี้ยังไงก็เป็นปัจจัยกับตัณหาอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าตัณหาเกิดที่หลังใช่ไหมความจริงเจตสิกดวงอื่นก็เป็นปัจจัยกับตัณหานะครับแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่ด้วยเวทนาเราอยู่เพื่อเวทนา เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยวิถีจิตของทุกคนยังไงก็ต้องตันหาเกิดต้องเป็นตันหาเกิดนอกจากบางครั้งบางคราวก็เป็นโทมนัสบ้างเป็นกุศลบ้างแต่เดี๋ยวก็ย้อนกลับมาที่ตันหาอีกนะเพราะว่ามันเป็นชีวิตเราอยู่ด้ตันหาคนบมตันหาก็คือไม่ต้องอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปดังนั้นเจตสิกดวงอื่นก็อาจจะเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยด้วยนะครับแต่ว่าตันห า, าเวทนาเนี่ย เปนประตูปณิสยปัจจัยไม่ได้เน้นเรื่องของออารามนาปัจจัยก็โดยมากก็เป็นโดยมากก็หมายความว่าตัณหาตัวนี้เนี่ยก็บางทีก็ห่างออกไปก็ได้ถูกไหมมั้นอาจจะไปเกิดผลขอการประชุมครั้งนี้เนี่ยอาจจะไปเกิดปัญหาเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมครับไม่จําเป็นต้องเป็นวิธีนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นวิธีนั้นเพราะว่าถ้าวิธีนั้นเป็นโทมานต์เวทนาในจักวิญญาณ เป็นใจให้ชาวนะเป็นโทมนะัสแต่ว่าวิธีหลังๆก็ไปสแสวงหาสุคุคเวกขาละโดยเป็นประตูะถ้าหากว่าเป็นฝ่ายกุศลบ้างถึงแม้ว่าตัญหาจะไม่เกิดแต่ก็ต้องมีเพราะการทำกรรมเกิดขึ้นใช่ไหมเช่นว่าเป็นปุญญาพิสังขารเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าตอนนี้ก็ เป็นเรื่องของไม่ใช่ปฏิจจมุบาทแล้วสิครับถูกไหมครับเพราะว่าปฏิจจมุบาทไว้ก็ไม่เชิงคือหมายความว่าในวิถีนะั้นการประชุมครั้งนั้นเกิดเป็นเป็นเป็นกุศลนะแล้วก็กรรมที่ต้องทําทุกครั้งใช่ไมีการประชุมต้องมีกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรรมอันนั้นเนี่ยหรือพกอันนั้นเนี่ยไม่ได้ตามมาไม่ได้ตามจากปัญหาอก็ถ้าตอนที่เป็นกุศลก็เว้นไป แต่จรง แ, แล้วเวทนาในวิถีที่เป็นกุศลนั้นก็ยังเป็นปัจจัยกับตันหาต่อไปหลังๆอีกก็หมายความว่าวิถีนั้นเนี่ยก็ไม่มีตันหาเป็นปัจจัยแก่พบแล้วก็เป็นกุศลก็ไม่มีตันหาแต่ก็มีพบจริงๆแล้วก็เป็นผลพวงจากตันหาก่อนๆนันนะครับเอาจจริงถ้าพูดถึงโดยอภิธรรมเนี่ยกุศลเขาก็มีปฏิจจสมบาต แลก็อันนี้ก็ซับซ้อนถูกซับซ้อนพอสมควรกันนะอใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมอาจารย์มีไหมเขามี้มอะไรพระคุณเจ้าแสดงดีกว่าคุณจันั่นแ่ะคุณตามว่าไงอ่ะในมา่คุ้นอะไรดิในมีความที่เห็นยังไงบ้างเอ้ามามาดิเข้ามาใกล้ใกลอือมีความเข้าใจยังไงอ่ะตอนที่ผู้การคุยกับพี่ต่ยนั้นพอดีเสียงพี่ต่ยเบาข้างหลังไม่ได้ยินเลยค่ะ แล้วก็เนี่ยเพิ่งจะมานั่งฟังเนี่ยแล้วก็กาลังคิดอยู่ว่าเวลาจากักขุสัมผัสสชาเวทนานี้มันก็คือว่าเมื่อกี้คุยเรื่องธรรมมาสามอย่างประชุมกันคืออย่างจักสูนี้มันก็ต้องมีอารมณ์วัตถุแล้วก็เกิดจักสูวิญญาณเพราะฉะนั้นอถ้าในวิธีนั้นถึงเมื่อกี้ฟังยังไม่ค่อยเข้าใจดีนะว่าคุยกันเรื่องอะไรคือถ้าในวิธีนั้นแบบว่า เราต้องดูที่อารมณ์ว่าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมหรืออนิถารมเพราะฉะนั้นในวิถีนั้นจิตที่เกิดตามมาตั้งแต่จักษุวิญญาณไปจนถึงชวนะในวิถีนั้นมันก็ต้องคล้อยตามไปตามอารมณ์ที่ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอย่างเช่นถ้าอารมณ์เป็นอิทธารมแม้จักษุวิญญาณ น, นิเวทนาที่เห็นอารมณ์นั้นมันจะเป็นอุเบกขาเวทนาแต่เนื่องจากเป็นอารมณ์ที่เป็นอิทธารมเพราะนั้น อถ้าคนนั้นเป็นแบบว่าไม่ใช่เป็นกรณีพิเศษนะคะไม่ใช่เป็นกรณีนั้นก็เป็นทั่วๆไปนี้ถ้ารมนั้นเป็นอิฐารมเวทนาที่เกิดตามมาทีหลังมันก็ต้องเป็นอสมณะ ท, ที่ที่แบบว่าทําให้เกิดตัณหาในชาวนะได้เพราะฉะนั้นแบบว่าเมื่อกี้ผู้การก็ถามถึงไม่รู้ถามเรื่องนี้หรือเปล่า ไอ์ชาวนะนี้ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์นะครับชาวนะนั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์อารมณ์เป็นปัจจัยจริงแต่ว่าชาวนะจะเป็นกุศลอกุศลก็ได้ถ้ามีอิฐาอิทธารลมชาวนะเป็นโทมนัสก็ได้เป็นตัณหาก็ได้เป็นกุศลก็ได้หรือว่ามีอนิฐารลมชาวนะเป็นกุศลก็ได้เป็นตัณหาก็ได้เป็นโสมนัสก็ได้แต่ว่าโดยปกตินะครับโดยปกติเนี่ยทั่วทั่วไปถ้าอิฐารลมตัณหาเกิด ถ้าอ น, นิธารมโทมนัสเกิดแต่ถ้าโยนิโสมานัสิการก็เป็นเป็นกุศลแต่ว่าไม่แน่นอนแต่ถ้าวิบากนี้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้พูดเรื่องเน้นเรื่องหัวข้อเรื่องชวนานะคะตอนนี้พูดเรื่องเวทนาเวทนาถ้าพูดถึงเวทนานี้อ า, อารมณ์มันก็มีผลมากต่อเวทนาไม่ใช่เหรอคะอาจารย์วิบากวิบากขึ้นอยู่กับอารมณ์อารมณ์ถ้าเป็นอิธารมณวิบากจะเป็นกุศลวิบาก ก็มีอุเบกขาหรือสมณัติเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นอนิถารมวิบากก็เป็นอกุศลวิบากก็เป็นอุเบกขาถะนั้นพูดถึงเรื่องวิบากแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องชวนะคิดว่าในปฏิจจสมุทบาทคําว่ า, าเวทนาทําให้เกิดผูสัมสัมคงจะเน้นที่ว่าเวทนาในในในวิญญาณที่ ทำให้เกิดตัณหาในชาวนานะคะท่านคงไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เน้นที่ตัณหาไม่ไม่เน้นในที่วิบากจิตท่านคงจะเน้นในกุศลหรืออกุศลหรือเปล่าฮะถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทให้พระอาจารย์แสดง ย, <laughs> ยิงพูดไปยิงชักงงก็ <laughs> เมื่อกี้บางอยู่ก็ยังไม่ค่อยแ น, นใ่ใจถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทเวทนาเป็นปัจจัยแกย่ตัณหาตัณหาก็เกิดในโชนาอยู่แล้วสต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นโชนะในวิถีนั้นในวิถีหลังๆก็ได้ กรนี้มีปัญหาว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาเฉพาะจักขุวิญญาณเท่านั้นหรือว่าในสัมติชนะเวทนานั้นในสันติรณะนี่จะเป็นจักขุสัมผัสชาเวทนาด้วยหรือเปล่านิมนต์ท่านช่วยคือของเราไปให้ความสําคัญกับไวิธีมากไนงะมันก็เลยคิดทุกอย่างให้ลงวิธีเดียวนั่นะในขันธวิพังนั้นกล่าวถึงว่า เวทนาที่เกิดจากทัศหกเนี่ยนะขันธวิพังนะที่พูดถึงเวทนาขัน เ, เวทนาเนี่ยเป็นเป็ น, ป, นปัจจยุบันของจักขู่สัมผัสที่อย่างจักขู่สัมผัสที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาเนี่ยเป็นาจาักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยแก่กุศลเวทนาก็ได้อะกุศลเวทนาก็ได้อัพยากะตะเวทนาก็ได้ จักระสัมผัสนั้นอ่ะเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาก็ได้จักระสัมผัสอันนั้นเป็นปัจจัยแก่กามาวจรเวทนาก็ได้เป็นปัจจัยแก่รูปาวจรเวทนาก็ได้เป็นปัจจัยแก่อรูปาวจรเวทนาก็ได้แล้วก็อปริยาปณะด้วยจักระสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยแม้กระทั่งโลกุตระพันถ้ากล่าวถึงเวทนาที่มีจักระสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นนั้นจึงเขาไม่ได้มองแค่ขณะวิถีเดียว เพราะบางอย่างเห็นครั้งเดียวนี่ก็โหชีวิตทั้งชีวิตเลยใช่ไหมสตังขาห้าสิบสตังนี่ก็ครึ่งชีวิตไปแล้วถ้าขาดเป็นบาทอาจจะ บ, บาดอันนี้ก็ได้แค่ห้าสิบสตังนี่ก็คือจากไ อ, ไอเรียกว่าภาษาภาษะเดียวนั้นในแต่ละทวารนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยใช่ไหมท่านท่านถือว่าไอเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขูดสัมผัสนั้นไม่ใช่เฉพาะเวทนาในวิถีนั้น ทั้งเวทนาที่เป็นกุศลเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นวิบากเวทนาที่เป็นกิรยิยาทั้นตัณหาที่ที่มีเวทนาเป็นปัจจัยนั้นก็ไม่จาเป็นจะต้องขณะนั้นเท่านั้นคือการคิดชีวิตนั้นเป็นการชีวิตคิดชีวิตที่ค่อนข้างยาวถ้าเราลองสาวๆมาที่เรามาอินเดียนี่เพราะพระทวารไหนเป็นปัจจยัยหลักเขามาเชื่อว่าโสตทวารเป็นหลักถ้าไม่ได้เช่าชักชวนมาก็ไม่ได้มาแล้ว พอได้ยินหนึ่งคำเนี่ยถือว่าหรือบางคนเนี่ยคิดมานานแล้วแต่ก็ไม่คือแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะมันต้องยกให้ว่าในกรณีนั้นๆเนี่ยว่าเป็นกรณีเนี่ยนะภาษาทวารไหนเป็นหลักในเรื่องนั้นๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะี่ยทั้งการการพิจารณานั้นเขาไม่ได้พิจารณาแค่อะไรนะจดจ้องอยู่กับเฉพาะทวารเนี่ยไม่ใช่เลยเขาเป็นการวิเคราะห์ชีวิตทั้งชีวิต วิเคราะห์ชีวิตทั้งชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะที่เป็นไปเนี่ยนะโดยอย่างที่ว่าเนี่ยยกความรู้สึกขึ้นเนยเวทนาที่เป็นปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยก็ต้องสาวเข้าไปเวทนานความรู้สึกเช่นดีใจตอนนี้มีมีภาษาตัวใดเป็นปัจจัยหลักเพราะอย่างสมมติถ้าบางคนเนี่ยดีใจที่เรียกว่าได้ข่าวดีบางข่าวใช่ไหมทั้งทั้งที่รับอะไรก็ไม่เห็นดีสักอย่างแต่ทําไมนั่งยิ้มอยู่นั่นแหละ ก็เพราะอเพราะเขาคิดถึงไอ้ภาษาตัวนั้นน่ะที่ที่เขาประสงค์มานานแล้วพอได้ภาษาตัวนั้นก็เลยโสมนัสเวทนาก็เกิดนอนบางคนเนี่ยไปได้รับภาษาที่ไม่ตัวเองไม่เวได้ภาษาประเภทเวทนาที่ตัวเองไม่ต้องการใช่ไหมทั้งทั้งที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ดีเยี่ยมหมดเลยแต่ทําไมเครียดอะ่ะสมมุติว่าเราอยู่ในห้องแอร์นี่มันเย็นสบายใช่ไหมใช่มีลูกน้องเรียกเสิร์ฟน้ําร้านอาหารอะไรเป็นต้นก็สบายหมดอะไรหมด แต่บอกว่าเพิ่งได้ฟังข่าวเมื่อเช้าว่าญาติตายไปคนหนึง่งที่พอใจมากได้ยินแค่คําเดียวถามว่าไอ้ได้ยินเสียงคําเดียวนั้นมันมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่แฮปปี้ทั้งวันเลยมันไม่โสมนัตทั้งวันเลยเพราะในภาษาหนึ่งภาษานั้นเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เป็นอย่างเช่นกลุ่มอยู่ทั้งวันดีใจทั้งวันเสียใจทั้งวันโสมนัตโทมันั้เป็นต้นเพราะภาษาในทวาร น, นั้นแล้วภาษาแต่ละภาษาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่เวทนาอย่างนี้ ทั้งหมดทุกๆภาษาแต่ว่ามันจะใกล้หรือไกลว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นๆเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่ที่ใกล้ตรงนั้นหรือว่าไกลจากนั้นไปเพราะภาษะเนี่ยเป็นปัจจัยแก่เวทนาโดยอนอนันรปัจพูด ง, ง่ายๆว่าโดยอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยเนี่ยแบ่งออกเป็นหนึ่งอานันตรูปะสองอารามนูปะสามปกตูปะ ใช้อุปนิสัยคําเดียวนี่กว้างขวางคลุมจักรวาลไปหมดเลยทัานถ้ากล่าวตามขันทวิพังนั้นเวทนาที่เกิดเพราะภาษะเป็นปัจจัยนั้นหมายเอาเวทนาทั้งสี่ชาติแล้วก็เวทนาในภูมิสี่ด้วยเพราะภาษะแต่ละทะวารเป็นปจัจจัยซึ่งถ้าเราจะเข้าใจนั้น่ะเราต้องมาพยายามมานึกถึงว่าการเห็นบางอย่างของเราแต่ละครั้งเนี่ยนะมันมีผลพวงไปขยายผลอะไรต่อไปบ้าง อย่างเช่นว่านักแต่งสวนเนี่ยไปเห็นคนอื่นเขาแต่งสวนเนี่ยตัวเองเนี่ยพอเห็นปั๊บอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไปเพราะฉะนั้นหยดคิดว่าไอ้การผัสสะตัวนั้นเนี่ยไม่ท่าถือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนหลังๆจะดีใจเสียใจอุเบกขาเฉยๆถือว่าผัสสะครั้งนั้นเป็นปัจจัยหลักเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักผัสสะที่เป็นชาติพิบาติตัวนั้นเป็นปัจจัยหลักถ้าผัสสะตามทวารต่างๆใช่ไหมถ้าไม่เห็นสัอย่างเดียวนะเขาไม่ได้เอามาคิดอะไรเลย แต่ถ้าเห็นอย่างเดียวนี่คิดเท่าไหร่ฮะท่านบางคนเนี่ยเห็นหนึ่งครั้งหรือได้ยินแค่หนึ่งคำไปคิดทั้งวันอย่างเงียนะเช่นเห็นใครพูดเสียดสีเรามาคําเดียวใช่ไหมคิดอยู่ทั้งวันอ่ะทําไมเปลืองความคิดขนาดนั้นแล้วอย่าถือว่าภาษาตัวนั้นเนี่ยธรรมดานะเป็นปัจจัยแกเวทนาทั้งวันหรือเขาชมเราแค่ครั้งเดียวอย่างเงนะไปแอบดีใจตั้งนานอย่างเงี้ยก็ แ, แสดงว่าภาษะเหล่านั้นเนี่ยไม่ธรรมดาที่เป็นปัจจัยต่อ เวทนาถ้าไม่ได้ภาษาตัวนั้นมาความรู้สึกเหล่านั้นเหล่านั้นจะไม่เกิดเลยทีนี้เวทนาทุกขณะที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็น อ, อุปนิสัยแก่ตัญหาหมดเลยทั้งโดยปกตูปะนิสยปัจจัยโดยอารัมมณูปะนิสยปัจจัยหรืออนันตรูปะนิสยปัจจัยะก็คืออุปนิสัยปัจจัยในกว้างขวางวันเวทนาที่เป็นปัจจัยแก่ตัญหานั้นน่ะโดยสามสามกลุ่มโดยที่กล่าวไปอนันตระหนึ่ง ประตูปะาหนึ่งอารามณูหนึ่งเนี่ยนะนั้ น, ะนก็มันก็ขยายผลในระยะยาวทั้นความดีใจเสียใจแต่ละครั้งของเราเนี่ยนะทาไมเราต้องไปเสียใจในครั้งนั้นมาเนี่ยนะโอ้โหบางคนนี่เก็บมาคิดอยู่นานเลยใช่ไหมความรู้สึกบางเรื่องเนี่ยโอ้โหเก็บมาวิจารณ์อยู่ตั้งนานท่านซึ่งในในสูตรเนี่ยนะถ้ากล่าวตามขันทวิพังก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเวทนาทั้งที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาที่มาจาก ภาษะเป็นปัจจัย <c oughs> <c oughs> เวทนาทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจรและอปริยาปณ ะ, ะคือโลกุตระเป็นอเวทนาเหล่านี้มีภาษะเป็นปัจจัยหลานท่านก็ยกตัวอย่างโดยที่สุดเช่นว่าพระพิสูรูปหนึ่งเนี่ยไปเห็นเขาบริกรรมกสินตัวนี้ทําอะไรกันบอกทํากสินทํากสินเป็นยังไงก็อธิบายเรื่องวิธีการเจริญกสินข้อปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยจรตอนหลังท่านก็ไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต ท่านถือว่าเวทนาทั้งมวลที่เกิดในตอนหลังเพราะเห็นกสินครั้งนั้นเป็นปัจจัยนะในใ น, ในอัธกถาท่านยกตัวอย่างลักษณะนั้นเทรานเขาพิจารณาในแง่การเจริอนั้นก็ไม่ได้มองเฉพาะแค่วิถีเดียวเนะี่ยถ้ามองวิถีเดียวปั๊บนี่บางทีก็ถ้ามองแค่เฉพาะวิถีนะบางทีมันก็ความสมเหตุสมผลไม่ค่อยมีเท่าไหร่เห็นดอกไม้สวยแต่กโกรธมีไหมมีได้ไหมมีได้ทําไมอะ ก็เพราะเขาบอกว่าเขาให้คนอื่นอ่ะใช่ดอกไม้วางตรงเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ให้เราอ่ะเขาจะให้คนอื่นเราให้คนที่เราไม่ชอบด้วยเอาเห็นดอกไม้มันน่าจะดีใจใช่ไหมแต่ทําไมเครียดอ่ะก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านอ่าโดยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งอะไรบ้างอ่ะคือถ้ามองแค่เหตุผลเฉพาะหน้ามันจะมองไม่ออกแต่เนื่องจากเขาพิจารณาโดยระยะยาวๆเนี่ยนะพันการพิจารณาธรรมะเนี่ยเมื่อก่อนเขามาก็พยายามจ้องแต่ละวิถีแต่ละวิถี ซึ่งตอบปัญหาไม่ได้เจอใคในขันทวิพังก็เลยเลยไม่ไม่ค่อยมาติดใจคิดเฉพาะวิถีละนั่นนะทุกทวารเหมือนกันภาษาในห้าทวาร น, นี่ครับเป็นปัจจัยแก่เวทนาในมโนทวารได้แน่นอนแต่ว่าภาษาทั้งห้าทวารสามารถเป็นปัจจัยแก่ภาษาในทวารห้าได้ไหมเป็นปัจจัยแก่เวทนาในทวารห้าได้ไหมอย่างเช่นจักขคูสัมผัสสามารถเป็นปัจจัยแก่เวทนาในโสตทวารได้ไหม ถ้าโดยอุปนิสัยปัจจัยไม่น่ามีปัญหาพออะไรนะพอได้ยินก็อยากเห็นด้วยใช่ไหมบางทีพอเห็นแล้วก็อยากได้ยินด้วยเห็นแต่ภาพอยากได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงอยากเห็นหน้าบางทีทั้งเห็นหน้าและได้ยินเสียงแล้วอยากรู้กลิ่นในต่างหากันนะก็ไปเรื่อยอย่างนี้มันนันจึงโดยอุปนิสัยปัจจัยนั้นไม่มีอะไรกางกั้นเอาหมดอ่ะนะทั้งด้นหนึ่งนะอย่างอาหารบางอย่างใช่ไหมทั้งเออเอาเช่นบริโภคอาหารนี่เห็นชัดนะ เอาตาก็เอาละหูก็จะเอาอีกทวารตาก็ให้มันสวยด้วยนะทะวารหูต้องดังกรอบด้วยทวารจมูกก็ต้องกลิ่นหอมทวารลิ้นต้องหวานต้องเปรี้ยวเป็นต้นแล้วต้องอุ่นๆพอดีด้วยนะะต้องเอาโพธิภาพที่เหมาะๆด้วยนะถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไม่ยอมเอาสิเรื่องเกิดเรื่องใหญ่แล้ขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าได้ทั้ง